ช่วงวันเสาร์ที่12ถึงวันเสาร์ที่19มีนาคมเรียกว่า1สัปดาห์นะคะ<ป>จากเสาร์ถึงเสาร์เขาเรียกว่า8วัน7คืนทีนี้เนื่องจากท่านก็ให้โอกาสในการที่จะตอบรับภายในวันอาทิตย์ที่24เดี๋ยวจะค่อยๆพูดถึงรายละเอียดและท่านก็คอยจดจอ้องที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ดิฉันก็เดาว่าบางท่านบอกว่า เดี๋ยวจะต้องละไปทำอย่างอื่นแล้วจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะก่อนฟังโปรแกรมเบอร์โทรศัพท์โทรตรงไปหาท่านเพบู์ที่0875988690 0875988690แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ยังจดไม่ทันนะคะดีฉันจะต้องรบกวนให้ในฐานะที่ท่านจะนำคณะไปนนะคะและท่านก็มีประสบการณ์ในการเดินทางไป การมาเป็นคณะใหญ่แบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยการที่จะไปที่นั่นไปกันอย่างไรไปแล้วได้อะไรอย่างนะก่อนนะคะเอาพูดถึงสังเวชนีสถานนะคือคสถานที่ที่ควรไปพบไปดูไปเห็นเพื่อให้เกิดความสังเวชแต่สำหรับผู้ที่มีความศรัทธานี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ในะบราราลกเหตุที่ท่านพระอานน์เนี่ยได้เคยเห็นภิกษุภิกษุณีบาโสบสิกาที่ เขาต่างลังไหลมาพบเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นบุคคลที่น่าจเจริญใจเหล่านั้นแล้วอจะทํำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็เลยให้สถานที่ทั้งสีที่เนี้ยเป็นที่ที่ควรจะมาพบมาเห็นเพื่อได้ให้เกิดความสังเวชของผู้ที่มีศรัทธาแต่ตรงนี้ตอนแรกๆที่มาอ่านพระสูตรนี้ก็โอเคไปแล้วคือมันก็ก็คงจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโบราณสถานใช่ไหม ตอนแรกที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปแต่เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยชวนไปชวนไปแล้วก็ไปแไปตอนแรกก็ไปกลุ่มเล็กๆประมาณสัก20่0ิบคนแต่ในครั้งแรกที่ไปนะคุณโยมติ่อของสําหรับตัวธรมาเองเนะียประสบการณ์โดยตรงเลยนะก็คือว่าสมาธิเนี่ยดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเอ๊ะทำไมสมาธิถึงดีขึ้นเรามาใคร่กรวนพิจรารณาหาเหตุผลแล้วก็มีพุทธพจนะ์ซัพพอร์ตในตรงนี้ที่บอกว่า ถ้าเผื่อว่าเรามีความอดทนพนะระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการเข้าสู่สมาสมาธิเนี่ยจะมีได้เกิดขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าบุคคลนั้นมีความอดทนต่อตาหูจมูกลิน้นและกาย5อย่างนีนะ้การไปสถานที่ที่เป็นสังเวชนียสถานเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เป็นบ้านนอกของอินเดียเราพูดง่ายๆนะคือไม่ใช่เป็นเมืองหลวง mm hmm. ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกรุงเทพหรือมุมไบหรือมิมดนดลิลเดลีแต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นบ้านนอกเพรา ะ, ะนั้นก็จะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการจราจรผู้คนอะไรต่างๆแต่เราปลาเนี่ยด้วยความศรัทธาตรงนี้แต่พนะเรามีศรัทธาแล้วเรามีการทําจรงิจรงเนี่ยแน่จริงเนี่ยเราต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทำให้สมาธิเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยประสบการณ์ส่วนตัวค่นะทีนี้เอ่อในการไปในครั้งต่อๆมาแล้วนะก็เกิดจากการที่ครั้งแรกนี่แหละมีสมาธิต่างๆที่ดีขึ้นเห็นได้ชัด ได้เห็นหลักฐานต่างๆที่เป็นทางประวัติศาสตร์ยี่มีความมั่นใจในทางคำสอนนี้มากขึ้นเดัะนั้นก็เลยปรึกษากันกันกบทางหลวงพ่อดรสะอาดทิโตปาโซที่เจ้าอาวาสวัปดป่าดอนไห่โศกเนี่ยแหละนะอาจารย์วัดธรมาเนี่ยท่านก็จะไปด้วยแล้วก็จะนําคณะญาติโยมไปโดยที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่มาปฏิบัติธรรมทั้งที่ฟังรายการวิทยุแล้วก็จะชักชวนกันไปในการไปครั้งนี้ก็จะไป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 เราไปพุทธคยาที่ต้นมหาศีมาโพสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้วันถัดมาก็จะไปที่เมืองราชครื้นที่เขากิจกูดที่วัดเวรุวันวันนี้คือวันที่2องกลับมาก็จะมาพักที่พุทธคยาอีกในวันที่สมก็จะเดินทางไปที่เมืองกุศินาราเมืองกุศินาราสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็เป็นสถานที่ที่สอง ในสังเวชนียสถานสี่นาราชกฤชนี้จะไม่ใช่นะแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่เคยจำพรรษาอยู่เราก็ไปที่นั่นด้วยถ้าจากเมืองกุศินาราถัดไปก็จะไปที่ลุมพินีนี่คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูทธ์ถ้าจากลุมพินีเราพักคืนหนึ่งถัดไปก็จะไปที่เมืองสาวัตถีแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษามากที่สุดสาวัตถีนี้จะไม่ใช่สังเวเชนียะสถานสี แต่ว่าเป็นเมืองที่เราควรจะต้องไปเพราะว่ามีพระสูตรที่สำคัญสาคัญเกิดขึ้นที่นี่อยู่หลายหลายพระสูตรทีเดียวหลังจากที่สาวัถีแล้วในวันถัดมาก็จะเดินทางมาที่เมืองพาราศสีในี้จะเป็นแหล่งสุดท้ายที่เป็นสังเวชนียสถานสีในการไปของคณะของวัดป่าดอนไนสงนี่ก็จะแตกต่างกับคณะอื่นๆสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไปนี่เราจะเน้นไปในการที่จะนั่งสมาธิเราจะไปถึงที่นั่น ดูสถานที่ตามประปันธิศาสตร์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆแล้วมานะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแล้วเราก็จะมาฟังพระสูตรนั่งสมาธิกันแังว่าณนะัดตำแหน่งนี้นี่คือพระสูตรที่รพระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวเอาไวท้ที่นี่ที่นี่และมีเสียงท่านเคยประกาศกล้องบทเหล่านี้เหล่านี้เอาไว้เราก็จะมาฟังพระสูตรเหล่านั้นแต่ละแต่ละท่านที่ไปเนี่ยทุกท่านจะได้รับหนังสือที่เป็นรวบรวมพระสูตรในแต่ละที่ละที่ที่ไปนั้น นะซึ่งประสูินี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีที่มาอะไรต่างๆสามารถที่จะอ้างหญิงไดนะ้ทุกคนจะได้รับคู่มือพวกนี้รวมถึงแผ่นซีดีที่บันทึกเอาไว้นะเสียงอ่านประสูิพวกนี้ด้วยเนพอนค่ะ ข, ขอบคุณค่ะก็เท่ากับว่าะจะแตกต่างจากบางคณะดิฉันไม่เคยไปเริ่มต้นแล้วกลับที่พรราศีนะคะฟังดูเหมือนกับว่าเราบินกลับจา ก, จากพรพรณสีถูกต้องถูกต้อง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 หน้าที่ต่างๆนั้นได้ได้มีอะไรบ้างใช่อาจจะเป็นเรื่องของธรรมใช่หรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ในที่นั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องอันนี้คือจะรวบรวมมาจากในประเรรบปิฎกนะอาณาจักรเป็นการที่ส่งเล่าเองใช่ไมใช่ใช่เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้หรือว่าที่นี่มีเหตุการณ์นี้คนี้เกิดขึ้นมีการบัญญัติวินัยหมวดนี้หมวดนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังที่นี้เวลามันก็คงจะมีจํากัดในที่ว่าจะได้นั่งสมาธิ การจริงๆก็จะมีสักประมาณชั่วโมงหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งก็จะเผื่อไว้ให้ดูนั่นนี้น่นบ้างแล้วส่วนพระสุตรที่เหลือลก็ให้ไปศึกษาเองตามคู่มืออันนี้ก็จะมีคู่มือให้เพิ่มเติมค่ ะ, ะเท่ากับว่าถ้าจะสรุปนะคะก็คือเป็นคณะที่จะเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญในครั้งพุทธกาลเมื่ อ, อยางทรงดารงพระชนชีพอยู่เพื่อที่จะได้ไประลึกถึง ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างณนะที่นั้นๆพร้อมกับเน้นการนั่งถวายนั่งสมาธิเพื่อเป็นกุศลของตัวเองแล้วก็ถวายเป็นการปฏิบัติบูบชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์แล้วก็พระสุ ป, ปฏิปันโนณนะที่นั้นร่วมกันเป็นหลักใช่ใค่ะถ้าท่านฟัง ท่านใดสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกในดะิฉันไม่นำมาพูดในรายการเลยทั้ ง, งที่ตัวเองก็ตกลงที่จะเดินทางร่วมคณะไปกับท่านไทยบูลเพราะคิดว่าก็คงจะไม่มีโอกาสสำหรับผู้ที่ฟังรายการแล้วพูดไปเดี๋ยวท่านไม่ได้ไปแล้วดิฉันก็จะรู้สึกผิดนะคะทีนี้วันนี้ท่านก็บอกว่าโอกาสเปิด อ, อนุญาตให้มาแจ้งได้เพียงแต่ว่าขอทราบคาตอบภายในเวลาอันจากัดก็คือภายในวันที่24 ม ก, กราคมที่จะถึงนี้มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะปนแต่ว่าไปก็จดเบอร์โทรศัพท์กันไหมอีกทีค่ะ0875988690ดิฉันขออนุญาตพูดถึงจำนวนเงินเลยได้ัหมคะได้ค่าเดินทางเนี่ย 49,000 บาทถูกไหมคะอันนี้ก็จะรวมทั้งค่าเครื่องบินค่าพักที่โรงแรมพักที่วัดอาหารต่างๆก็จะรวมอยู่ในนี้หมดค่าเข้าค่าอะไรต่างๆรวมอยู่ในนี้หมด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 2, 2> ก็ถือได้ว่า <4. S 1> สะดวกพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมที่วดัดเหมือนกับที่วัดปัดดอให้โศกเนี่ยก็จะแยกเป็นห้องละคนลคนใช่ไหมตีนี้ว่าเร า, เราไปเนี่ยอาจจะอยู่ห้องละสองคนสามคนประมาณนี้ค่ะนะคะรีบหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วที่นันเองก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสไปเจอเจอกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ทราบว่า ใครเป็นผู้ที่ฟังรายการส่วนท่านที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวก็จะเอากลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์ในการเดินทาง น, นั้นเป็นอย่างไรแต่ดิฉันเคยสอบถามคนที่ร่วมคณะไปกับท่านไทบูล น, นะคะเขาก็ประทับใจนะครับอกว่าโหซับซึ้งมากในการที่ไปสาธยายพระสูตเสมือนกับว่าเราเนี่ยกําลังเฝ้าอยู่เฉพาะพระภักของพระพุทธเจ้านะอืเพราะว่าได้ฟังในสิ่งที่ท่านตรัสไว้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใจ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ของท่านเนี่ยจะเป็นาศาสดาของผู้เธอทั้งหลายและที่ไปสาธยายกันก็จะเป็นธรรมถูกต้องคือความรู้สึกมันจะแตกต่างกันได้หนึ่งอย่างเชมม่นว่าถ้าเราอยู่ศาลาที่วัดหรือว่า ท, ที่บ้านของเราเนี่ยเราคุณ ก, ก็ฟังพระสูตเรื่องราวของการตรัสรู้หรือว่าเรื่องราวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเล่าเนี่ยกับที่เราไปอยู่ณนะที่ตรงนั้นนี่คือดินที่พระพุทธเจ้าเคยเหยียบนี่คืออากาศที่พระพุทธเจ้าเคยหายใจท่านเคยเดินบินบาตรตรงนี้คือภาษามันจะจะเป็นกลล่แบบกัน เดีวได้ฟังเรื่องราวเดิมนี่แหละแต่ว่าพรรษาอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มีความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีก็บอกได้ยากแต่ว่ามันดีมากๆก็ถ้าได้มาฟังมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ไปด้วยกันดิฉันเคยอถามเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ชอบเดินทางกับคนจํานวนมากอก็พูดกับคนที่เขาเคยไปบอกว่าที่มีประสบการณ์ผ่านมาก็คือแม้คนมากแต่คนปฏิบัติเนี่ย จะไมะ่ดูวุ่นวายหรือว่าจะไม่อึดอัดทึกเลยใช่จะเรียบร้อยมากกว่าปกติใช่ทุกคนก็จะจะฟังกันจะเคารพในครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะไปด้วยในปีนี้แต่ถ้ามมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงยังไงเอา้าเราจําเป็นต้องตัดสินใจซ้ายทุกคนก็ซ้ายหมดขวาก็ทุกคนก็ขวาหมดเนีไม่ได้มีใครที่จะแบบมาวุา่นวา ย, ยหรือว่าอะไรทุกคนก็สามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกัน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 ไปอ่านเนี่ยแต่ว่ า, าก็ดูเหมือนกับว่าทั้งคณะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันน ะ, นะคะเลี mm ้ hmm. ยก็ใช้วิธีที่ว่าตัวเองเนี่ยก็นั่งอ่านเฉยๆอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่พิเศษแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาซึ่งเลี้ยเองเป็นคนที่ชอบในส่วนของพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ตรัสเล่าเรื่องของท่านเองเพราะว่ามีหลายส่วนเลยนะคะเราเคยเข้าใจอย่างหนึ่งาจากแบบเรียนหรือว่าจากหนังสืออื่นๆที่ผ่านมาแต่ว่าท่านตรัสเล่าเอ า, เอาไว้เนี่ยมไม่เหมือนนะคะก็ลองไปเสพกันดูก็นละกันกับการเดินทางที่ท่านพิบูลพูดถึงว่าทําให้อาสมาธิดีขึ้นเพราะว่าตรงกับพุทธพจน์ที่ว่ามีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจ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 ก็คือเกิดความสังเวชหนึ่งคุณจะเกิดความสังเวช2คุณจะเกิดความเลื่อมใสในะเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะต้องมาตรัสรู้ที่นีนะ่เพราะว่ามีปัญหาที่สําหรับสัมมาสัมพุทธะจะมาแก้ได้เท่านั้ น, นะ ใ, นในที่นั้นเนี่ยที่อินเดียเนี่ยก็จะมีทิฏฐิอยู่หลายอย่างทิฏฐิความเชื่อนะักบวชแบบนั้นแบบนีนะ้ซึ่งเป็นความสามารถที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นที่จะมาแก้มาปรับทิฏฐิเหล่านี้ได้ นีกิดถ้าถ้าเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นที่เมืองไทยอย่างนี้ไม่ต้นนะเอ <c oughs> คนไทยนี่เป็นคนที่บอกง่ายอยู่แล้วเ <c oughs> ชื่อฟังกันดีบอกปุ๊บทุกคนก็โอเคบรรลุหมดเลยใช่ไหม ก, ก็ง่ายนี <c oughs> แต่ปัญหาบางทีก็คือว่าคนเราบอกเขาไม่เชื่อทิฏฐิแบบที่แบบหัวปักหัวปำเป็นทิฏฐิสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าจะต้องไปแก้ที่นั้นเราจะได้เห็นสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะท่านคะสําหรับ พูดถึงเรื่องทั่วไปนะคะในการเตรยียมตัวเดินทางเนี่ยมีไหมคะที่จะแนะนำว่าอ๋อถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วอย่าไปเลยมันลำบากหรือว่าถ้าไปแล้วขอให้รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรกินอยู่ อ, อย่างไ ร, รใช่ในในทริปนี้เราก็จะจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเนะเพราะว่าฟีดแบ c k จากคราวก่อนๆที่ผ่านมาก็คือว่าออจริงๆ เ, เรื่องอาหารเย็นเนี่ยแทบจะไม่ได้จาเป็นเลยคือ คือกินเนี่ยเพราะว่าโรงแรมเขจัดใหนะ้แต่ถ้า <Okay. S 1> หิวไหมถามจริงก็ไม่ได้หิวนั้นะหลายๆคนคือเกือบร้อที่พูดว่าไม่ได้หิวคือไม่จําเป็นต้องกินก็ได้เพราะว่าอิ่มใจจากการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่เพดัะนั้นคราวนี้เราก็เลยให้รักษาศีลแปดคือส่วนใหญ่จะให้รักษาศีลแปดสำหรับบงคนจะมีข้อยกเว้นก็อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปแตนะ่แต่ว่าจะให้ <Okay. S 1> เป็นรักษาศีล8มีการปฏิบัติธรรมนจะให้ให้อย่างเต็มที่นะแต่ว่าก็จะมีจัดเรื่องของ ป า, นะนานาะนาแนมปานะหรือว่าอะไรที่มันบริโภคเป็นยาได้ในตอนบ่ายหลังเที่ยงเนี่ยก็จะมีจัดไปให้โดยคณะของเราแต่พูดง่ายๆคือไม่ต้องกลัวหิวแต่ว่ารักษาสิ้นแปนะแต่ไม่ต้องกลัวหิวนี่คื อ, ป, อประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือก็ต้องมีสุขภาพที่สามารถเดินเองได้เพราะว่าในบางโลเคชันเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ไกลหรอกนะแต่ก็พอเดินต้องเดินได้คือถ้าจะต้องเก็นรถเข็นเนี่ย ก็ก็จะยากนิดหนึ่งนะก็จะยากนิดหนึ่งแต่แต่ถ้ามีคนเขีนมาด้วยนะก็ก็มาได้เหมือนกันนะก็มีบางท่านที่เขาไปอย่างนั้นก็มีนะแล้วในข้อที่สามเนื่องจากว่าทริปเนี้ยจะเป็นลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือหมายก็ว่าเรารักษาศีแลแนะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งเครื่องแบบของผู้ประพฤติพรหมจรรย์สักหน่อยก็น่าจะดีนะนี่คือชุดขาวนะคือพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงอุบาสกบาสิกา ที่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็พู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้โกนผมใช่ไหมก็อย่างน้อยมีมีเครื่องแบบที่บ่งบอกถึงความประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็คือชุดขาวอันนี้ก็ในข้อที่สามยศปอนค่ะเดนขออนุญาต ถ, ถามแทรกข้อสามนิดนะคะอในกรณีที่บางคนเนี่ยชุดปฏิบัติธรรมของเขานุ่งผ้าถุงดําใส่เสื้อขาวอืไหวไหมคะพอได้ไหมคะได้ได้ได้ได้เหมือนกัน แล้วก็ต้องเรื่องอากาศนิดหนึง่งในช่วงนั้นตอนเช้าเช้าก็ยังจะเย็นอยู่จะมีอากาศเย็นอยู่ในตอนเชา้ชาต อ, ตอนกลางวันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราอุณหภูมิสักยี่สิบกว่าเกือบสามสิบตอนกลางวันตอนเชา้ชาเช้าก็อาจจะต่ํากว่ายี่สิบมีอยู่อ๋อค่ะคือหมายคว่าเสื้อกันหนาวบางๆเนี่ยคนมีติดไปใช่ถุงเท้าควรจะมีผ้าคลุมพวกนี้ค่ะ นะคะทุกท่าลงท่าพวกนี้ทัวร์เขจะเป็นคนบอกท่านท่านมีคณะที่มีเอกสารที่บอกให้ไหมครับเผื่อว่าใครจะไปมีมีมีเนี่ยหลังจากที่แบบว่าลงชื่อมาแล้วแล้วก็ก็จะส่งเอกสารพวกนี้เป็นการเตรียมตัวให้ต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรที่ควรงดเว้นข้อปฏิบัติต่างๆนอันนี้จะมีมีข้อมูลบอกแล้วนอกจากเ อ, อ, เอกสารที่เป็นเป็นหนังสือประสูตรใช่ไหมที่ว่าในแต่และโล c a t i o n มีประสูตรประสูตรอะไรเนี่ยเราก็จะมีจุลสาร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 ทั้งสี่สังเวทั้งที่อินเดียและที่เนปาลเป็นเวลาแปดวันเจ็ดคืนนะคะก็ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าแปดแปดหกเก้าศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าแปดแปดหกเก้าศูนย์ขอความกรุณาให้แจ้งภายในวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ ความกรุณานะคะจากการที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปที่สังเวชนียสถานมามากกว่า1่ครั้งแล้วเนท่านประทับใจอยากจะมาถ่ายทอดในแง่มุมใดมากที่สุดกับท่านฟั่งคะอันดับแรกก็คือว่าความเป็นอยู่ของของคนอินเดียแต่ที่ที่เราไปเห็นเลยเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าโอ้เรื่องราวในพระสูตรหรือที่อ่านอ่านกันมาเนี่ย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 มีความเข้าใจในในคอนเท็กซ์ในการดำเนินเรื่องของพระสู ต, ต์ต่างๆเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้คือข้อที่1นี่ประสบการณ์ส่วนตัวของอาดมานะอันี้คือในข้อที่1ในข้อที่2เราจะพบเรื่องราวในหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับในพระสูตในพระสูตรที่บอกถึงโลเคชันต่างๆเย่างเช่นว่าไปที่มุมไยสาลีเนี่ยท่านพระอนน์นเดินมาทางนี้บินทบาทกลับมาอย่างเงี้ย ท่านบอกว่าอธิบายไว้ในพระสูติว่าเห็นพวกชาวลิชวีเนี่ยกษัตริย์ชาวลิชวีเนี่ยเขายิงซ้อมหญิงลูกดอกลูกศรนะจากที่ไกลลอกลอดช่องดานได้เอสมาก็มีความคิดว่า ым, ก, ก, ก, ก็ท่านเดินมาก็ต้องมองต่าๆใช่ไมไอ้ทาไมไปเห็นไดนะ้ก็มันมีโลเคชั่นหนึงเป็นสวนที่เขาในทางบริาสรายเขาค้นพบว่าเป็นที่ที่พวกกษัตริย์ลิชวีจะมาฝึกซ้อมยิงธนูใตรงตําแหน่งนั้นเนี่ย จากหมู่บ้านเดินมามันเป็นทางลาดลงมาในทางลาดลงมาก็จะทําให้เดินไปางานมาไงก็ต้องเห็นน่ะมันเป็นทางลาดลงมาแต่มาก็ถึงบางอ้อเลยว่าโอ้ใช่ใช่ถ้าท่านเดินมาตรงนี้ต้องเห็นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโลเคชันตรงนั้นมาอีนี้ก็ทําให้มีความสอดคล้องในเรื่องประสูตร ท, ที่ที่ได้เคยอ่านมาด้วยนะอันนี้คือประโยชน์ที่จากการไปแล้วในในข้อที่3มอย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ความรู้สึก ที่เราไปเหยียบดินที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเดินตรง น, นี้ท่านเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยไปนั่งตำแหน่งนั้นแล้วเราไปโดนดินแถวนั้นเนี่ยเราไปได้หายใจในอากาศแถวนั้นเนี่ยแม้จะมันมีความทราบสิ่งมากแต่ว่าโอ้นี่คือที่บิดาในทางวิวัติของเราท่านนั่งตรงนี้นะท่านเคยไปบินจบาลเส้นทางนี้นะท่านเคยเดินเหยียบดินตรงนี้นะแม้เอาหยิบผงดินเนี่ยมาโรยใส่หัวแล้วยังมีความทราบสิ่งมา แม่มันดีมากค่ะก็ถ้าใครไม่เคยไปแล้วมีกำลังนะคะเยันว่าการได้ไปเยือนสักครั้งหนึ่งก็ดีและสังเกตว่าถ้าคนมีกำลังเนี่ยพอไปแล้วก็จะหาโอกาสหาจังหวะในการที่จะได้ไปอีกอย่างที่ฉันเองนี่ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกนะคะว่าจะตัดสินใจเดินทางไปแต่พอมานั่งคิดคิดดูแล้ว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 ก็เรียนเชิญติดต่อรายละเอียดไปที่ท่านไพบูลนะคะ0ย์8 90, 8ดดห้าเก้ปดหู์ดหปดหภายในวันที่24มัมกราคมนี้หมดเวลาพอดีเลยคะ่ะท่านไพบูลคะ่ะเตียนพานนะคะก็ท่านคงจะต้องคอยรับโทรศพัพท์แล้วล่ะกราบนรส ก, การขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะเตียนพานท่านฟังที่ครบคะ่ะ